นั่งภาวนาะสำรวมใจของตนให้ดีใจมันจะนิ่งได้ก็เพราะอาศัยสติสติกระลึกเข้ามาหากายหาใจใจอยู่ตรงไหนสติยังเข้าไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรามารวมกันในที่นี้ให้พึงเข้าใจว่าเพื่ออบรมตน <c oughs> ทำอย่างไรจิตใจมันจะสงบลงไปเราก็ทำลง การที่ใจจะสงบลงได้อาศัยความอดทนอดกัน้นต่อความเจ็บความปวดอดกั้นต่อเวทนาต่างๆอดกั้นต่อความคิดไม่คิดส่งไปภายนอก กำหนดอยู่แต่ภายในพยายามมีสติประคองจิตให้กำหนดรู้อยู่ภายในอันนี้เป็นกรรมวิธีที่จะทำใจให้สงบระงับลงไปเบื้องต้นถ้าขาดความอดทนแล้ว ไม่ไหวจิตนี่มันสงบลงไม่ได้เพราะมันอ่อนแอถูกกิเลสผลักดันเอาสู่อำนาจของกิเลสไม่ได้ก็เลื่อนลอยไปทีนี้เมื่อเราสร้างความอดทนให้เกิดขึ้นในใจว่าเราจะไม่คิด เราจากหยุดนิง่งอยู่ในปัจจุบันนี้เราตั้งความอดลงไปอย่างนี้มันก็พอบรรเทาแหละเพราะความอดนี้ยอมเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรอะไรก็สู้ความอดไม่ได้ดังนั้นอย่าไปลืมธรรมะข้อนี้สำคัญมาก สำคัญไปจนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตนูน่นวันสุดท้ายแห่งชีวิตนั้นความเจ็บความปวดความเมื่อยล้าอะไรสารพัดมันจะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นแหละบรรดาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไปรวมลงในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนั้นดัะนั้นถ้าใครไม่สร้างความอดทนไว้แต่เวลายัง ปกติอยู่นี่พอไปถึงเวลานั้นเข้ามาแล้วมันก็ต้านทานต่ออำนาจของกิเลสไม่ได้จิตนี่ต้านทานต่อทุกขเวทนาไม่ไหวจิตใจก็เลื่อนลอยควบคุมไม่ได้นั่นหเหตุที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้ก็พอเหตุนั้นแหละ อย่าว่าแต่จะไปนิพพานเลยจะไปสวรรค์นี่ก็ไม่ได้มันจิตใจบังคับไม่ได้อย่างนั้นแนละ้วมันก็วกเวียนอยู่ในโลกนี่ไม่ไปไหนถ้าหากว่าอย่างว่าทำบุญทำดีไว้ก็มาเกิดเป็นคนอีกเท่านั้นแหละไม่ได้ไปนรกถ้าทำบาปแล้วก็ไม่ไม่ได้วนเวียนอยู่ ในโลกอันนี้แล้วไปสู่ยมโลกนู่นแล้วแต่ยมพบาลจะตัดสินไปยังไงก็ขึ้นอยู่กับยมพบาลจะเพิ่งสักถาม <Transport> ว่าได้ทำบุญอย่างไรได้ทำบาปอย่างไรทั้งแต่เป็นมนุษย์จะไปโกหกยมพบาลก็ไม่ได้เพราะว่ายมพบาลรู <version> ้มีบัญชีอยู่มด ใครทำบาปก็มีอยู่อีกบัญชีหนึ่งใครทำบุญก็มีอยู่อีกบัญชีหนึ่งอย่างนั้นเพราะฉะนั้น จ, จิตวิญญาณใดตายแล้วถ้าไปสู่สำนั ก, นก ย, ยมบาลเนะี่ยมันต้องพูดตรงไปตรงมาถ้าหากว่า เวลายังมีชีวิตยอยู่ในโลกนี่ผู้นั้นมาปารกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เสมอเสมอว่าคนเรานี่ชีวิตแต่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนตายลงไปแล้วเราทำกรรมดีไว้มากกรรมดีก็จะนาไปสู่ความสุข ถ้าเราทํากรรมชั่วไว้มากความชั่วก็จะนำไปสู่ความทุกข์ได้มันพิจารณาอยู่อย่างนี้จนชินจนไม่เห็นว่าชีวิตนี้เป็นไปอย่างอื่นจนมันเห็นตามสภาพความจริงอย่างนี้เวลาไปสู่สำนักยมบาลยมบาลก็จะถาม ว่าแต่เป็นมนุษย์อยู่นั่นนะ่ะเคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นคนเจ็บไหมเคยเห็นคนตายไหมก็จะต้องตอบว่าเคยเห็นเมื่อเห็นแล้วพิจารณาอย่างไรถ้าผู้ที่เคยพิจารณาบ่อยๆอย่างว่านันนะ่ะก็จะตอบยมพบาลว่า เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจว่าคนเราเนี่เกิดมาแล้วชีวิตสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปลปลวนในท่ามกลางก็แตกดับในที่สุดก็เป็นอย่างนี้เคยคิดเคยพิจารณา ยเกิดความสังเวชสะรดใจในนามในรูปอันนี้นมบาลถามว่าเมื่อเกิดความสังเวชสะรดใจแล้วทำอย่างไรต่อไปก็จะต้องตอบยมบาลว่าเมื่อเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนแล้วเช่นนี้ก็ต้องจะต้องรีบเร่ง ทำบุญกุศลเข้าไปไม่ประมาทสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นโทษก็ไม่ทำไม่พูดก็พยายามทาพยายามพูดแต่ในสิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษมาโดยลำดับเออถ้าเช่นนั้นเจ้าก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตสมควรที่จะ ได้รับความสุขความเจริญต่อไปแล้วยมบาลก็ปล่อยขึ้นสวรรค์แบบนี้นั่นแหละถ้ายมบาลถามอย่างนั้นบางคนนะ่ไม่เคยได้ภาวนาไม่เคยได้พิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ได้พิจารณาถึงกรรมดีกรรมชั่วไม่ได้พิจารณาถึงผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมันเป็นอย่างไรเมื่อยมบาลถามก็ตอบไม่ได้ตอบได้แต่ว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วทำอย่างไรต่อไป ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อไปบะนี้ไม่ได้ทำความดีอะไระเมื่อไม่ทำความดีแล้วไปทำอะไรก็ไปทำบาปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในการบ้างกล่าวมุสาวาดบ้างเดิมสุรากัญชายาผินเฮโรอีนบ้าง ผู้ใดทำกรรมชั่วอย่างไรก็ต้องระบุออกไปอย่างนั้นโกหกไม่ได้ยมพบาลมีลงบัญชีไว้แล้วยมพบาลก็จะพิจารณาบนันนี้พิจารณาก็เห็นว่าแกนี่เป็นผู้ประมาทเกิดเป็นคนทั้งที่ได้พบพุทธศาสนาด้วยทำดีไม่ได้ ทำแต่คมชั่วคมชั่วนั่นจะต้องตามสนองแกให้เป็นทุกข์เราก็ช่วยไม่ได้พอยมพบาลตรัสอย่างนั้นแล้วก็นิ่งอยู่ต่อจากนั้นนายริยาบาลก็นำนักโทษอันนั้นไปแล้ววะนี่ไปโยนลงนรกนู่ม ได้รับทุกข์ทนทรมานน้ำร้อนลวกไฟเผาตายแล้วกรรมบาปกรรมไม่หมดก็เกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาแล้วถูกน้ำร้อนลวกไฟเผาร้องครวนคลางดินกระเสือกกระสนไปมาปีนป่ายขึ้นไปบนบกอา้าวนายนิยาบาลก็จับสัต์ลงไป สู่นรกอีกทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้น น, นานแสนนานกลัวจะพ้นจากนรกใหญ่มาเมื่อพ้นจากนรกใหญ่มาแล้วก็มาตกนรกน้อยบ่เนี่นรกขุมน้อยอทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นอีกก็ไม่หนักเหมือนนรกใหญ่นานไปนานไป บาป ก, กรรมที่มันให้ไปตกนรกหมดล ง, งก็พ้นจากนรกนั้นขอพ้นจากนรกนั้นไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตบนี้เพราะบาป ก, กรรมยังไม่หมดเสวยทุกข์ทนทรมานจากความเป็นเปรตอยู่นั่นก็ น, นานอดข้าวอดน้ำเพราะว่าตนไม่ได้ทานข้าวมาแต่ก่อนนู้น ไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มเพราะว่าตนไม่ได้ให้ผ้านุ่งห่มเป็นทานมาแต่ก่อนไม่ได้ให้น้าเป็นทานหิวน้ำน้ำอยู่ใกล้ๆก็ดื่มไม่ได้เพราะท่านกล่าวไว้ในตำลาว่าปากของเปรตนี่มันเล็กเหลือเกินนะแพทย์เพียงแต่แค่ว่าเอาเข็มย่างเข้าได้เท่านั้นเอง แล้วนะ้ำมันจะเข้าได้ยังไงอ่ ะ, อะเป็นอย่างนี้บุคคลผู้ที่มีบาปติดตัวไปจะต้องได้สวยทุกทนทรมานไปโดยลำดับลำดับอ่าหมดจากกรรมเวณอันที่ให้ไปเป็นเปรตหมดลงก็ไปเกิดเป็นอสุรกาย เกิดเป็นคนดุร้ายเป็นคนอำมหิตเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยหาเลี้ยงตัวเองก็ไม่ได้อาศัยผู้อื่นเป็นโยหมดจากกรรมเวทที่ให้เกิดเป็นอสุรกายนั่นแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ทะชาน คนจากสัตย์เดฉาดนั่นแหละถึงได้เกิดมาเป็นคนเมื่อบุญเมื่อหากว่าผู้นั้นได้สร้างบุญกุศลไว้บ้างแต่ก่อนนั้นมันถึงวาระบุญมันให้ผลมันได้เกิดมาเป็นคนแต่ว่าเมื่อเศษบาปอันนั้นยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดเป็นคนขี้กระจอกงอกว่ยอยอีกแล้วร่างกายก็ไม่สมบูรณ์พูนสก มีข้อบกพร่องอันใดอันหนึ่งอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่เป็นที่พอใจของบุคคลทั้งหลายคนทั้งหลายได้เห็นเขาก็รังเกียจเดียดฉันไม่ปรารถนาจะคบหาสมาคมด้วยอันนี้เรียกว่าเศษบาปนี่นะมันปานนั่นแหละเราเห็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอ หมู่มนุษย์ที่เกิดมาบางหมู่บางพวกมีร่างกายทุกพลภาพช่วยตัวเองไม่ได้ต้องขอทานเขากินไปวันวันอย่างนี้นะมันเห็นกันอยู่ดาาตื่นแต่เห็นแล้วไม่คิดไม่เอามาคิดใส่ใจไม่สอนใจตัวเองว่าไอ้ที่ตนมีอวะยะัยวะร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ ตนไม่มีกรรมไม่มีเวรอย่างคนเหล่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรอ้าวบางรายกับเพราะว่ากรรมเวรที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันหมดลงแล้วบุญอำนวยผลให้ตอบอันนี้นะจึงได้มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์อาบางแกพวกก็จุติจากสวรรค์ลงมามาเกิดเป็นคน ในโลกนี้บุญนั้นตก็ตามมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ครบท้วนบริบูรณ์ทั้งสวยทั้งงามทั้งมีอายุยืนยาวนานอีกด้วยอันนี้ความที่สัตว์ทั้งหลายมาเกิดในโลกอันนี้นะมันมีอยู่สองประเภทอย่างนี้หรือจะว่าสามก็ได้ ประเภทหนึ่งจุดติจากพรหมโลกลงมาเกิดประเภทที่มาจากพรหมโลกนี่เกิดขึ้นมาแล้วส่วนมากไม่ค่อยจะแต่งงานเมื่อจเจริญวัยใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาชอบแต่จะออกบวดเพราะว่าพรหมนั้นนะ่ะเป็นผู้ที่จเจริญพรหมอาหารสี่จเจริญฌานตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่ อันนี้สงชาเนี่ยพอตายแล้วก็ให้ไปเกิดพรหมโลกแล้วการมวิตกพยาบาทวิ่งตกเวียงสาวิตกเหล่านี้ไม่มีอยู่ในพรหมพรหมนั้นมีใจสงบหลังงับอยู่เลยไปท่านว่าไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายลูกประพรมเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นหมดอายุสังขารจากพรหมแล้ว นิสัยอันนั้นก็ติดตามมาก็มาเกิดในโลกนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ปราถนาจะแต่งงานเบื่อในการคลองเลือนก็มาจะออกบวชกันอันนี้ความเป็นมาของมนุษย์เรามาเนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ ศึกษาเรื่องราวของพุทธศาสนาแล้วก็ควรให้เข้าใจไว้อย่างนั้นเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้ววันนี้มันก็จะได้ลงมือปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางที่ดีทางที่ชอบเพราะว่าการที่เราจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ดังกล่าวมานั้นได้ด้วยกุศลธรรม ไ ด, ไ, ดได้ด้วยการกระทำความดีด้วยกายวาจาใจไม่ใช่ได้ด้วยการกระทำความชั่วล้วถือเอาใจความแบนี้นั่นแหละเมื่อเราถือเอาอย่างนี้ได้ผู้นั้นก็จะพยายามทำแต่ความดีเรื่อยไปไม่ทำความชั่วสะสมแต่บุญแต่กุศลไป ทำการทำงานก็หาการงานที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั่นทำการงานที่ปราศจากบาปอากุศลต่างๆมูเนี่ยนั่นและเรียกว่าเป็นผู้ได้ภาวนาพิจารณาเห็นเหตุปัจจัยของชีวิตนี้แจ้งตามเป็นจริงแล้ววันนี่ผู้นั้นเห็นแจ้งในชีวิตตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้ว ก็จะไม่ยอมทำความชั่วเลยตลอดชีวิตจะพยายามทำแต่ความดีให้ทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไหวพระภาวนาพยายามนั่งสมาธิภาวนาประคับประคองกิจที่เป็นบุญกุศลอยู่นี้แล้วให้มันตั้งมั่นเป็นต่อบุญต่อกุศลเรื่อยไป ไม่ให้จิตใจนี่เบื่อหน่ายคลายจากบุญจากกุศล <Hey. S 1> เมื่อพยายามประคองจิตให้ตั้งมั่นในบุญในคุณไปได้เท่าไรบุญคุณนี่ก็ยิ่งเจริญขึ้นในจิตใจเท่านั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ใจมันก็สงบดีเยือกเย็นถึงแม้ว่ามันจะไม่สงบละเอียดจนถึง อาปัญนาชาญไปโน้นก็ก็ไม่เป็นไรเราต่ขอให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี่มันก็ใช่ได้ก็จเจริญปัญญาได้สามารถเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันห้านี่เห็นแจ้งตามเป็นจริงได้ไม่ใช่ว่าพิจารณาไม่ได้ ข้อนี้ผู้ใดบาเพ็ญผู้นั้นแหละรู้เองเข้าใจเองได้ด้วยตนเองเมื่อตอนพิจารณาเห็นขันห้านี้ได้อยู่ก็รู้นั่นเองหรือว่าตนพิจารณาเห็นไม่ได้ก็รู้ทำไมจะไม่ได้เมื่อใจมันตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วนิวรณ์ห้าดับไป เช่นี้แล้วจิตใจนี่มันก็สว่างสวัยเบิกบานอยู่ภายในนั่นแหละนั่นแหละเมื่อกระแสจิตนี่มันผองใสแล้ววันนี่มันก็อุปมาเหมือนอย่างตาของคนเรานี่แหละเมื่อมันไม่บอดพอลืมตาออกไปนี่มันก็มองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรได้เลยแต่เมื่อหลับตาอยู่นี่ก็ยังมองไม่เห็นน่ะ ถ้าลืมตาขึ้นแล้วก็มองเห็นวัตถุสิ่งของปรากฏเฉพาะหน้านั่นได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการที่ปล่อยให้นิวรณธรรมครอบงมจิตอยู่นั่นนะเหมือนอย่างเราหลับตาอยู่นั่นแหละย่ยอมไม่มองไม่เห็นอะไรการที่มาเพียรภาวนาละนิวนทั้งห้านี่ ออกไปจากดวงจิตนี่นิวร์เหล่านั้นน่ะคือความรักความชังความพยาบาทจองเวรต่างๆมูนี้นะความง่วงเงาหาวนอนความที่ปล่อยจิตให้คิดฟุง้งซ่านลำคาญไปต่างๆนั่นนาความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์หมู่นี้เนี่ย อารมณ์เหล่านี้ดับไปจากขิตใจแล้วใจกระพองใสเ อ, อก็มองเห็นธาตุสี่ขันห้านี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ตามเป็นจริง เ, ออเมื่อเห็นได้ชัดอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางออไม่ใช่ว่าต้องให้พิจารณาเรื่อยไปอยู่นั้นก็ปล่อยวางนะปล่อยวางไม่คิดไม่วิตกวิจารไปในขันห้าอีกต่อไป พอรู้แล้วนี่ว่าไม่ใช่ของเราแล้วจะไปพัวพันอยู่กับมันอะไรนักหนาปรงเสียเถอดวางเสียเถิดนี่ก็วางพอหยุดคิดหยุดพิจารณามันก็เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวกับสติปรากฏอยู่ปัจจุบันเฉพาะหน้านี่ก็เพ่งอยู่ในความรู้ความเห็นอันแจม่มแจ้งอันนั้นเลย เพ่งดูอยู่ที่รู้นั่นนี่ดูว่าความรู้อัเ น, นี้มันจะเปลี่ยนแปลงไหมนี่เมื่อไม่เปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ามันตรงมันวางขันห้าลงได้แล้วก็กําหนดรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไปเมื่อภาวนาทีไรก็ก็ต้องทําอย่างนั้นแหละถ้าถ้ามีเวลาอยู่ก็เอา พิจารณาอีกเนี่ยนะนะพิจารณาให้มันเห็นแจ้งอีกต่อไปพิจารณาแต่ละทีมันก็ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับมันเป็นยางน้นพิจารณาเห็นชัดอะไรต่ออะไรลงไปแล้วก็ปล่อยวางหยุดคิดเมื่อหยุดคิดก็เหลือแต่ความรู้กับสติ รู้ว่าจิตไม่ยึดไม่ถือสันห้านี้จิตตั้งมั่นอยู่โดยลำพังอย่างนี้นะนี่แหละเรียกว่าการฝึกจิตเพื่อให้มันละบาปอากุศลออกจากดวงจิตนี้ให้หมดไปด้วยอำนาจแห่งสมถะและวิปัสสนา เมื่ออากูศลนี่ดับไปแล้วก็มีแต่กุศลเท่านั้นตั้งอยู่ในจิตนี้กูลนในเมื่อมันรวมกำลังกันเข้าเป็นหนึ่งลงไปเป็นมักคัศมังคีลงไปแล้วบางทีก็สามารถที่จะให้บรรลุโลกุตระทำได้ข้อนั้นเป็นปัจจัตังเวทิตัพโพวินโยหิวินโยชนผู้ฉลาดพึงรู้แจ้ง เฉพาะจิตใจของตนโดยตรงดังแสดงมา